วันนี้วันอะไรนะวันเสาร์เหรอวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ที่20สมกราคมวันนี้เป็นวันมอบทุนให้ลูกหลานนักศึกษานักเรียนมอบทุนการศึกษา เป็นเป็นปีที่3เดือนแรกปีที่3ปีแรกก็สเทอมเราก็ให้ไป2เทอมเต็มๆสองเทมนี่2ชุดปีที่สองก็2เทอมก็2ชุดปีที่3มอีกก็จะ2เทอมอีกก็2ชุดอีก แต่ละชุดแต่ละชุดเขาสืบช่วงการเนี่ยแล้วแต่ทีโทรศัพท์นะแล้วแต่คณะกรรมการไปเลือกกันนะใครมีคุณสมบัติคำว่าคุณสมบัติในที่นี้หมายความว่าสนใจสนใจเรื่องสีเรื่องธรรมสนใจเรื่องการที่มารับสนใจจะปรับปรุงแก้ไขตัวเอง ไม่จิตใจล่องลอยไม่จิตใจสับสนไปอย่างอื่นสนใจเรื่องถือมารยาทความประพฤติ ท, ที่ดีงามที่เป็นไปด้วยศีลที่เป็นไปด้วยธรรมเป็นไปด้วยขนมด้วยจำเนียมด้วยประเพณีสรุปลงแล้วก็คือเป็นไปเพื่อคุณงามความดีสนรับตัวเองนั่นแหละไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวเอง นักเรียนไหนที่สนใจเวลาเขามาคัดเลือกเขามีกิจกรรมอะไรก็สนใจนักเรียนที่ไม่สนใจไม่สนใจก็คือไม่สนใจเนี่ยมันรู้จะว่าไงแหละไม่สนใจมันรู้จะทุบตียังไงอะ่ะพอจะได้เป็นหม้ อ, อถ้าเผดดินมันไม่เหนียวแล้วทุบยังไงมันจะมันจะติดกันนะอันนี้ไม่ว่าเราไม่ว่าท่านแหละ เรื่องคุณสมบัติของใจเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนทุบแล้วทุบอีกทุบแล้วทุบอีกทุบแล้วทุบอีกดินบางอย่างถ้าเป็นดินเหนียวทีเดียวก็ตียังไงก็อยู่อย่างงั้นอยู่ในกรอบยังงั้นถ้าดินมันเหนียวดีดินมันนิ่มดีดินมันเห น, น, น, นียวดีนะคุณสมบัติของจิตของเราแต่ละคนก็เหมือนกันนั่นแหละ ถ้าเป็นดินเหนียวดีตีครั้งเดียวตียังไงก็อยู่อย่างงั้นได้สวดได้ทรงนะครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครองบอกยังไงก็อยู่อย่างงั้นครูบาอาจารย์สอนยังไงก็ถืออย่างงั้นอันนั้นเสียนะถือตามรู้ว่าเสียอันนั้นดีนะรู้ว่าดีรีบทํารีบขวนขวายอันนั้นเสียหายนะอย่านะอย่าอาถหานะ กลัวตั้งใจละตั้งใจงดตั้งใจเว้นดินเหนียวตียังไงก็อยู่อยางงั้นอยู่ในกรอบเพราะแม่บอกยังไงก็อยู่อยางงั้นขึ้นชื่อว่าพ่อแม่เนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่บนนี้มีพ่อแม่ด้วยกันทุกคนไม่ได้หมายความว่านักเรียนที่จะมารับทุนแค่นั้นนะเพราะแม่บอกยังไงก็อยู่ยังงั้นพราแม่สอนยังไงก็อยู่ยังงั้นแต่ต้องหมายความว่าสอนในทางที่เป็นศีลเป็นธรรม สอนให้ไปซื้อบุหรีสอนให้ไปซื้อเหล้าเงี้นะ่ะมันก็ไม่ไหวแล้วสอนให้ประพฤติเสียหายนี่ก็มันมันไม่ได้แล้วแหละเนี่ยปกติพ่อแม่ต้องมีต้องมีคุณสมบัติที่ดีงามสลับจะสอนลกูกแต่ถ้าหากสอนลูกในทางที่ม่ดีลูกที่เขาเป็นอัจฉริยะบุคคลเกิดมากับเราเนี่ยเขารู้เลยเนี่ยอ่าเขารู้เลยเกิด <c oughs> <c oughs> เกิดลูกที่เกิดมาเพื่อเกือ้อกูลเราเพื่อช่วยเหลือเรามีอยู่อืมพ่อแม่ดีกว่าลูกลูกดีกว่าพ่อแม่มีเพราะขึ้นชื่อว่าจิตของเราแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยเราผูกพันกันมากี่พบกี่ชาติแหละอืมเกิดเป็นลูกคนนั้นบ้างเก <c oughs> ิดเป็นลูกคนนี้บ้างเก <c oughs> ิดเป็นพ่อคนนั้นบ้างเกิด <c oughs> <ๆ>เป็นแม่คนนี้บ้างสับสนปนเปนกันอยู่อย่างนี้แหละบนโลกใบนี้เพราะจิตดวงนี้มันมีมันมียางเหนียว ยางเหนียวของมันน่ะดูไปที่ความอยากในใจของเรานั่นแหละคือใจคือยางเหนียวของใจอใจที่ปลูกฝังมาดีถ้าจะเทียบก็เหมืนดินที่เหนียวเหนียวอ่ะมาทําเป็นหม้อโบราณท่านชอบมาเทียบเป็นหม้อพระพุทธเจ้าท่านทรงเปรียบเทียบผู้ที่เป็นครูเป็นอาจารย์เหมือนกับช่างหม้อตีหม้อตีตีตี ต, ต, ต, ตีตีเพื่อจะให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างของหม้อ แต่ถ้าดินไม่ดีตีไงมันก็ไม่เกาะตีไงมันก็ไม่ติดตียังไงก็ไม่ติดก็แต่ดินประเภทกลางๆอทุกตีบ่อยครั้งเข้าทุกตีบ่อยครั้งเข้ามันก็ยังพอจะเกาะกันได้อยู่บ้างอาศัยการระยะเวลายืดยาวดินบางประเภทะดินทรายเนี่ยตีไงมันจะเป็นมอข้าขึ้นมาได้ฮะประเภท ปะทะประมามะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเปรียบเทียบประเทศประเภทปะทะประมามะถ้าเป็นดอกบัวก็ดอกบัวอยู่ติดขี้โคลนขี้ต้มนั่นน่ะจะพลอขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้โผล่มาแล้วจะเป็นอาหารเต่าอาหารปลาก็ไม่รู้เพราะสิ่งที่มันฟาเสียหายมันมีอยู่รอบด้านคุณเชื่อว่าจิตไม่ว่าของใครจิตดิ้นรนเหอทะเยอทยานด้วยกันทุกคนเราถึงได้มาเกิดเพราะสิ่งที่ฟาดิ้นรนเหอทะเยอทยานเหล่านี้คือกิเลสตัณหาในหัวใจของเรา เราไม่เคยย้อนมาดูเราไม่รู้จักหรอกถ้าเราย้อนมาดูเราจะรู้ความดิ้นรนทะเยอทะยานของใจมันมีอยู่ในใจอันนี้แหละคืออํานาจของตันหาตันหามันไม่ใช่หมายความว่าเราดีดดิ้นแเราดีดดิ้นเพื่อเพื่อเพศตรงข้ามมันไม่ใช่แบบนั้นคําว่าตันหาคือความดีดดิ้นความดิ้นรนความทะเยอทะยานหากมันมี มันมีกำลังอ่อนกำลังแรงของมันมีมันมีหยาบมันมีกลางมันมีละเอียดของมันคือชื่อวัตรตัญหาหยับย า, บยาบทั้งกับปฏิบัติธรรมะขั้นหยับย า, บยาบละได้ละไ ด, ะได้วางได้กลางกลางก็ธรรมะขั้นกลางกลางสมาธิสงบระ ง, งับได้ขั้นละเอียดลึกกาไปอีกก็ต้องอาศัยปัญญา ปัญญาพิจารณาเพื่อทำลายความหลงเอะ เ, เรายึดสิงนั้นเพราะอะไรยึดสิงนี้เพราะอะไรเกาะสีนั้นเพราะอะไรเกาะสินี้เพราะอะไรเรายึดเราเกาะเพราะความความหลงของเราเองความหลงของเราเองหลงยังไงก็ดู ด, ดีนี่อันนี้กล้วยเนี่ยหอมหวานเนี่ยรันะ่วกล้วยรั่วหอมรัม่วหวานนะอนนั้นดีเป็นเหตุให้ชอบใจก็ต้องชอบใจอันนี้ไม่ดีเป็นเหตุไม่ชอบใจก็ต้องไม่ชอบใจ แต่ธรรมะที่ละเอียดลึกไปมากกว่านี้ท่านไม mm. ่ได้ว่างั้นท่านไม่ได้ว่ามากกว่างั้นจิตของเราสักจะว่ารู้หอมก็สักจะว่าหอมหวานก็สักจะว่าหวานอะแต่เหตุที่เรายึดถูกใจเพราะหอมถูกใจเพราะหวานมันถูกใจเราก็ยึดเอายึดเอายึดเอายึดเอาอ่าธรรมะที่ละเอียดลึกไปมากกว่านั้นหอมท่านรู้ว่าหอม แล้วก็ปล่อยหวานเขารั่วหวานแล้วก็ปล่อยไปถึงจะบริโภครสเปรี้ยวหวานมันเค็มก็าสักแต่ว่ารสเปรี้ยวหวานมันเค็มละเอียดนะธรรมะธรรมะที่พุทธิจาท่าสอนเอาไว้เพราะฉะนั้นปัญญาพื้นพื้นปัญญาขั้นกลางปัญญาขั้นละเอียดกิเลสหยาบหยาบกิเลสกลางกลางกิเลสละเอียดก็แก้ไขไปตามนั้นนี่เราพูดถึงจริจิตใจของคนเรา ความลึกตื้นนะบางของจิตใจไม่เท่ากันสติปัญญาที่เกิดขึ้นมาบุญญาบา ร, รมีที่เราสั่งสมอบรมมาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะเหมือนอย่างประเภทดินบางประเภทนั่นแหละมันไม่มีความเหนียวอะไรเลยเหมือนกับจิตใจของเราที่ล่องลอยเลื่อยเปื่อยสักแต่ว่าเป็นคนก็มีคนเราเกิดมาสักถ้าว่าเป็นค น, มค น, ม น, คนไม่ค่อยสมบูรณ์แบบก็มีแต่จะเป็นประเภทใดก็ตาม จะเป็นประเภทพธะปรมะบัวติดขี่โคลดที่ตมก็ตามจะเป็นบัวประเภทกลางกลางน้ําก็ตามจะเป็นบัวประเภทเสมอน้ําก็ตามจะเป็นบัวประเภทโผล่พ้นน้าก็ตามขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับการสร้างบุญญาบารมีด้วยกันทั้งนั้นแหละต้องอาศัยฝึกฝนอบรมต้องอาศัยขัดเกลาต้องอาศัยอุตสาพยายามสร้างความมันพยายามขยันมันเพียรอยู่นั้นแหละ เหมือนกับช่างหมอเห็นว่าดินเออพียังพอยังจะมียางเหนียวอยู่บ้างทุบตีทุบแล้วทุบอีกตีแล้วตีอีกตีแล้วตีอีกทุบแล้วทุบอีกบางครั้งปทะประมามันพอจะรู้สึกสํานึกรู้สึกตัวขึ้นมาได้บ้างขยับเนื้อขยับตัวโผล่ขึ้นพ้นมาจากที่ตมที่โคลนได้เพราะฉะนั้นจริตใจนิสัยของใครของเราไม่บ้าใบวิกลวิการเสียจิตผิดมนุษย์เสียจริงๆนี่ เราสามารถฝึกหัดดัดแปลงขัดกล่าวได้ลูกหลานของเราทุกคนสามารถฝึกฝึ ก, ฝ, กฝึกปรือฝึกฝนอบรมได้ไม่ใช่ว่าฝึกฝนอบรมไม่ได้สําคัญว่าเจ้าตัวจะต้องมีความสนใจฝึกฝนอบรมด้วยผู้ปกครองจะต้องสนใจฝึกฝนอบรมด้วยตีให้อยู่ในกรอบในระเบียบตีแล้วตีอีกตีแล้วตีอีกตีเพื่อจะให้มันเป็นหมอบอกแล้วบอกอีกสอนแล้วสอนอีกดูแล้วดูอีก ด่าแล้วด่าอีกว่าแล้วว่าอีกคนบางคนนี่ได้สติได้ปัญญาเพราะคาําด่าเพราะคําด่าเนี่ยทําให้เรายิงในตัวเองเนี่ยเกิดยิงขึ้นมาเอ๊ะเขาทําได้เราก็ต้องทําได้เขาเก่งได้เราก็ต้องพยายามเก่งให้ได้การที่เรามีจิตมุหมนทะฮึดสู้อย่างนี้แหละมันเป็นเหตุทําให้เราหันหน้าเข้าหา ข้อเท็จจริงหันหน้าเข้าสู้ข้อเท็จจริงบางคนมีจิตใจอ่อนน้อมท่อมตนขาดสติขาดปัญญาแต่ว่ามีจิตใจอ่อนน้อมท่อมตนเป็นดินประเภทเหนียวกลางๆพอจะทุบได้พอจะตีได้อันนี้เป็นไปได้ง่ายครูบาอาจารย์ก็ทุบตีง่ายพ่อแม่ก็บอกสอนง่ายมูเพื่อนคนที่มีความหวังดีก็สามารถบอกสอน ให้เรากลายเป็นคนดีได้แต่บางคนประเภทดินศาสตร์เลยทุกไม่ได้เลยนี่คำว่าไม่ได้เลยในหัวใจของเราหมายความว่าไม่สนใจไม่สนใจแต่ถ้าเป็นเด็กๆแล้วยังไม่ถึงกับแข็งกร้าวเสี้ยทีเดียวแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ประเภทห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบแปดสิบปีขึ้นไปแล้วถ้าเป็นประเภทมิจฉาทิธฐิโอ้ยกลับใจได้ยากเหมือนกันนะกลับใจได้ยากเพราะทิฐิมณะมันมากถึงจะยังไงก็าตาม ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสนธรรมที่อยู่ระดับขั้นสุดท้ายที่จะคัดเราที่จะคัดเราเพื่อเข้าสู่ข้อปฏิบัติที่ละเอียดที่ลุ่มลึกที่จะเล็ดที่จะลอดไปจากโลกีโลกิยะธรรมนี้ไปได้ให้พ้นทุกคนโทษไปได้แม้แต่มนรดาศาสนาทั้งหลายพุทธคริส พวกคริสพวกอิสลามพวกพราหมณ์พวกซิกพวกอะไรต่ออะไรเนี่ย ก, ก็มีคําสอนเหมือนกันแต่คําสอนมันก็ลักลั่นละเอียดหยาบลึกตื่นไม่เท่ากันกว่าจะหลุดจากระบบระบบคําสอนเหล่านั้นมาเข้าสู่คําสอนของพระพุทธเจ้ากนะ็ยากมากเราดูแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยบรรดาลทัทธิทั้งหลายมีมากมายเราดูแต่พระพุทธเจ้าของเรานะ่ยไปธรรมาลูรุเวรักสาปะเนะ่ยลูรุ วลัลคัศ ป, ปะเขาก็เป็นลทัทธิบูชาไฟเขาถือว่าเป็นศ า, าสนาศาสนาหนึ่งของเขาอ่าเขาสําคัญตนเอกวัดตัวเองเป็นพระอระหรันต์เฉพาะคนที่รู้วลัลคัศ ป, ปะหนึ่งมีบริษัทบริวาร ท, ทั้งห้าร้อยถ้าเป็นวัดกับวั ด, ว, ดวัดใหญ่มากเนีมีพระอยู่ตั้งห้าร้อยขนัดเขามีบริษัทบริวาร ท, ทั้งห้ารอยแล้วก็น้องชายคนที่สองก็ออกบวชกันนาทีกส ป, ปะมีบริษัทบริวารสามร้อย ตังอาสมอยู่ฝั่งแม่น้ำอะไรโคทาวารีแม่น้ําอะไรนะแม่น้ําขยาตั้งอาสมอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําขยาแม่น้ําขยามันไหลเนี่ยแล้วก็คนสุดท้องอ่ะขยาตรสปามีบริษัทบริวารส0มรวมทั้งพี่น้องสคนมีบริษัทบริวารเป็นเป็นพันเป็นพันตนพวกเชนดินพวกนี้บูชาไฟ มีเครื่องประดับมีเครื่องสวมใส่อะไรเป็นอีกนักบวชอีกประเภทหนึ่งบูชาไฟพระพุทธเจ้าท่านได้บรรลุธรรมแล้วท่านสเสด็จจากพุทธคยาทุกวันนี้เขาเรียกพุทธคยาสมัยนะั้นก็เรียกว่าตะบดุรุเวลาเสนานิคมโดยเหตุที่ปัญจวัคคีย์หมดหวังในพระพุทธเจ้ามีพระัญญกุัญญาเป็นต้นตามอุปธรรมปาพระพุทธเจ้า เพื่อพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วจะได้บอกจะได้สอนบ้างพระพุทธเจ้าทรงทำอัตรกระมังานนิโยโญคําคว่าคําว่าอดอัตกิะมังานนิโยโทรมานกายอย่างยิ่ง ย, งยวดแต่ต้องการให้ธรรมะเกิดขึ้นที่ใจอดอาหารบ้างกลั้นลมหายใจบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดอาหารเนี่ยอดจนนับตั้งแต่สเสวยเต็มอิ่มเนี่ยลดไปทีละคำทีละคำทีละค ำ, ะคำจนเหลือหนึ่งคำ ลดจากหนึ่งคำไปจนเหลือนหนึ่งเม็ดคิดดูร่างกายมันสู้พร้อมขนาดไหนร่างกายชีวิตินทสี่จะแตกสลายไปเสียก่อนแล้วโอ้ธรรมะยังไม่เกิดขึ้นในหัวใจเลยทรมานอดอาหารแต่อดอาหารเพื่อได้อะไรได้ทำจากการอดอย่างเดียวนะไม่ใช่อดเพื่อภาวนาเหมือนอย่างที่พระเราเนี่ยพระเราไม่ใช่น้อยนเนี่ยพระวัดเราพระทั้งสามสิกว่าเนี่ยวันนี้ลงมาชั้นกี่องเนี่ยนับดูกี่องเนี่ย ห้าองค์หกองคสิบองคนะพระสามสิบกว่าลงมาชั้นสี่องค์นะพระสามสิบกว่าลงมาชั้นสิบองคนะ์เนี่ยเนี่ยวันนี้พระลงมาชั้นแค่สิบองนะเราอดอดอาหารเพื่อเราอดอาหารเพื่อภาวนาแต่สมัยพระพุทธเจ้าท่านทํำทรมานกายนั้นอดอาหารเพื่อต้องการให้ธรรมะเกิดขึ้นที่ใจเกิดด้วยวิธีไหนก็ไม่ทราบนะ ถ้าเรามาพูดถึงต้นตอนละ ท, ที่พาธรร ม, มาแท้แท้เนี่ยมันทําให้เกิดข้อขัดแย้งเหมือนกันทรมานกายแต่ว่าต้องการธรรมะเกิดที่ใจแน่ถ้าเราพิจารณาในแง่เหตุผลเหตุผลมันต่อกันไม่ติดทรมานกายแต่ทำไมต้องการธรรมะเกิดที่ใจมันแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง <c oughs> จะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเห็นว่าชีวิตจินทรีย์ของพระองค์จะแตกสลายไปธรรมะยังไม่เกิดขึ้นในหัวใจเลย เลยหันมาเสวยพระกยาหารเอ๊ะมันน่าจะมามันน่าจะไม่ใช่ทรมานกายอย่างเดียวเนี่ยต่อไปนี้คือพระองค์ทรงดําริในพระไตยของพระองค์ว่าจะทำความเพียรทางด้านจิตใจในตอนเนี้ยตนนแต่ว่าร่างกายมันจะไม่ไหวแล้วจะตายแล้วเลยหันมาเสวยพระกาหารนีเ่เป็นเหตุให้ปัญจวคินหนีจากพระองค์จากแคว้นรุเวลาเสนานิคมมาอยู่แคว้นพาราณสีเนี่ยแคว้นกาสีเมืองพาราณสี มีไปเป็นเหตุเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าท่านอยู่บําเพ็ญคนเดียวโดดเดี่ยวไม่มีไม่มีใครไปยุ่งไปกวนพระไทยของพระองค์จากนั้นพระองค์ก็มาทําความเพี่ยนทางด้านจิตใจทําความเพลี่ยนทางด้านจิตใจมันก็เท่ากับว่าปฏิบัติละเอียดลึกเข้าไปจนพระองค์สามารถบรรลุธรรมได้รู้ธรรมได้เห็นธรรมได้สามารถละอัตตาตัวตนมียานทัศนาบอก บอกว่ากิเลสตันหาอาสวัคคยาญาณกิเลสตันหาในประเทไทยของพระองค์เนี่ยเคลี้ยงกล่าวหมดจดสิ้นไปจากพระคันภสันดานอันนี้คือบรรลุ ธ, ธรรมแท้แต่ไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างนั้นแล้วจะได้อย่างเดียวเราพูดถึงย้อนหลังไปสร้างบุญญาบา ร, รมีกี่อสงไขยสีอสงไขยก็คือนับวันเวลาไม่ได้เลยเนะี่ยนับเป็นตัวเลขไม่ได้เลยเลยสี่ครั้งสี่อสงไขแสนมหากรั อันนี้เฉพาะเฉพาะที่ได้รับพยากรณ์นะว่าต่อไปนี้ดาบทผู้นี้จะได้แต่สรุปเป็นพระโคดมสัมมาสัมพุท ธ, ธ ะ, ะในกลับที่เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระพุทธทีปังกรเมื่อก่อนที่ได้รับคําทํานายเนี่ยสร้างบารมีมาญาต์อ อ, อกปากอยู่แต่ยังไม่ได้รับพยากรณ์ก็มีคิดอยู่ในใจอีกรวมไปแล้วยี่สิบ อสงไขยเรามาคิดดูสิบุตรเจ้าของเรายี่สิบอสงไขยี่สิบอสงไขยคื อ, คอนับไม่ได้ยี่สิบครั้งอูระยะเวลามันเนิร์ดนานแั่เท่าไหรแ่แล้ยังมีแสนมหากรัปอีกรัปหนึ่งกรัปหนึ่งมันไม่ใช่กรัปไม่ขีดนะคําว่า ก, กัปปะกรัปปะเนี่ยมันเป็นอายุของโลกมันยาวนานมากก็เหมือนอย่างเราไล่วันเดือนปีนั่นแหละท่านั้นปีท่านี้ปีนั่นแหละล่วงเวลาไปท่านั้นอะ่ะเป็นหนึ่งกรัปหนึ่งกรัปหนึ่งกรัปหนึ่ง ทำไมท่านยึดเรียกว่ากับหนึ่งกับหนึ่งระยะเวลามันน่านานเหลือเกินแม้แต่กลับหนึ่งเนี่ยกับที่พวกเราเป็นอยู่ทุกวันเนี้นี่ก็กับหนึ่งกันน่ยมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติทั้งห้าพระองค์นะห้าพระองค์นี้มีพระสัคคุสันโธท่านอุบัติมาแล้วก็นิพพานไปแล้วพระโกนาคมโนท่านอุบัติมาแล้วท่านก็นิพพานไปแล้วพระกัสสปโธท่านอุบัติมาแล้วท่านก็นิพพานไปแล้ว แล้วก็เดี๋ยวนี้ศาสนาของพระโคดมพระโคตมโมเนี่ยท่านอุบัติมาแล้วท่านก็นิพพานไปแล้วนะสี่พระองค์ไปแล้วเนี่ยที่ได้มาตรสู่แล้วยังเหลืออีกหนึ่งพระองค์คือพระศรีอรยะเมตไยโยนะปะนัจจุบันยังไม่ผดยังไม่หมดกลับนะนี่แค่กลับเดียวนันเนี่ยเรามาดูที่อายุมันยืนยาวสักขนาดไหนอายุชีวิตอายุของโลกเนี่ยนะมันยืดยาวสักขนาดไหนกลับ ระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งกับพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งก็นานนานอ่ากว่าจะถึงเนี่ยท่านเรียกว่าอ่าพุทธันดรพุทธันดรระหว่างกับระหว่างกับหนึ่งกับกับหนึ่งท่านเรียกว่าอันตรกับอันตรกับระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์จะได้มาบัดท่านเรียกว่าพุทธันดอพุทธันดรพุทธันดรหนึ่งพุทธันดรหนึ่งเป็นระยะเวลาที่เนิ่นนานิี่ับเดียวนะเนี่ย มีพระพุทธเจ้ามาบัตรห้าพระองค์เพราะฉะนั้นกัปนี้ท่านจึงเรียกว่าพัทธกัปพัทธกัปแปลว่าวกัปที่งามเนี่ยพวกเราโชคดีพวกเราพวกเรามีบุญญาบารมีพวกเรามาเกิดในกัปที่งามมากถึงแม้ว่าจะมาเกิดในกัปที่งามพวกเราอาจจะเกิดมาพบศาสนาในศาสนาพระอากาคุสันโธก็มีโคนาคัมโนกัสโปก็มี พวกเราเป็นกระอกกระแตเป็นกระจ้อนเขเล่นที่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> เราไม่ได้ไปฟังเทศฟังธรรมกันขาวเป็นหอยเป็นเตาเป็นปูที่ไหนก็ไม่รู้ะเขาอุบัติเขาเขา้ข า, ขาสู่นิพพานพ้นทุกข์พ้นโทษไปหมดแล้วพระสมณะโคดมท่านก็นล่วงไปแล้วยี่สิบสองพันหกร้อยกว่าปีนับตั้งแต่ได้บรรลุมาเนี่ยพวกเรายังบางทีก็ยังไม่มีศีลไม่มีธรรมซึมซับเข้าสู่หัวใจเลยเราดูในสิ่งเหล่านี้เราเราจะไปโทษพระศาสดา เราจะไปโทษพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ไม่ได้เราต้องโทษโทษบุญญาบารมีของเราเองคล้ายๆกับว่าเราพบเราเจอแล้วเราไม่สนใจบรรดาพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายที่พบพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์เน่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่สนใจคําว่าไม่สนใจก็คือไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่สนใจที่จะได้ยินที่จะได้ฟังไม่สนใจที่จะเคารพนับถือไม่สนใจที่จะถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามไม่เกิดประโยชน์ ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่เราพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านได้ตั้งใจบำเพ็ญจนได้บรรลกุการบรรลุธรรมของพระองค์นั้นไม่ได้ไม่ใช่จับเสือมือเปล่าสร้างบารมีมาจนเราฟังดูแต่นี่แค่กับเดียวกับเดียวที่พูดให้ฟังเนี่ยแค่กับเดียวเนี่ยแม้แต่พระศรีอริยเมยตตรที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ตามเราจะคิดว่าเราจะจะได้ไปพบง่ายๆนะถ้าเราไม่มีบุญนะถ้าใครไม่สร้างเนื้อสร้างตัวตั้งแต่บัดนี้ตอนนี้เป็นต้นไปนี่โอกาสที่จะพบเจอจะยาก อในในช่วงที่พระองค์มาอบัตินั้นน่ะมีแต่ผู้มีบุญถ้ามาเกิดในศาสนาของพระองค์ผู้ที่มีบุญผู้ที่มีบุญผู้ที่มีบาปเบาบางเท่านั้นจะมาเกิดในศาสนาของพระองค์ถ้าเผื่อเราไม่มีบุญจริงๆในยุคสมัยที่พระองค์มาอุบัตินั้น่ะ <c oughs> พวกเราไม่รู้ไปเป็นครอเป็นกระแตกระเจ้ากระเลนที่ไหนก็ไม่รู้ดีไม่ดีไปตกนรอกอยู่ขุ้มไหนก็ไม่รู้อกว่าจะได้มาพบมาเจอมันไม่มีโอกาสที่จะพบจะเจอหมายความว่า เราไม่มีเกรดเกรดเราไม่พอดีกรีเราไม่พอคุณสมบัติเราไม่พอไม่พอที่จะได้มาเกิดทันศาสนาของพระองค์แต่ถ้าหากใครตั้งเนื้อตั้งตัวสร้างคุณงามความดีตั้งใจรักษาศีลตั้งใจประพฤติทำทำตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคนนั้นมีคุณสมบัติพอเวลาพระองค์มา อ, อุปบัติสมว่าเราเกิดมาทันศาสนาของพระองค์ปั๊บหรือไม่เกิดทันสมัยที่พระองค์ยังทรง พระชนไม่ชีพอยู่นี่เราได้ฟังธรรมต่อหน้าของพระองค์เราจะต้องได้บรรลุธรรมคนที่ได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพุทธเจ้าี่ที่จะไม่ได้บรรลุธรรมมีน้อยส่วนมากมีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมจากน้อยๆเป็นพระโสดานี้พระสกิทาคาพรานาคาแล้วก็พระอรหันต์ในที่สุดแค่เป็นพระโสดานี่ก็ถือว่าไปด้วยตัวเองได้แล้วแหละพระพุทธเจ้าท่านปฏิพาน์ไปก่อนแล้วก็ตามถ้าเผื่อเราได้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันเนี่ย เหมือนกับมันตกกระแสแน่ะน้ําที่มันตกกระแสที่จะไหลลงสู่ทะเลมหาสมุทรแล้วก็จะไหลไปด้วยไหลไปด้วยไหลไปด้วยจากแม่น้ำเล็กเข้าไปสู่แม่น้ําใหญ่เข้าไปสู่แม่น้ําใหญ่อย่างเมืองไทยเราคือแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยอพอไปสูก่กระแสแม่น้ําไหลลงสู่ทะเลมหาสมุทรนีหมายความว่าเป็นห น, อน่อเนื้อเชื้อเชื้ออริยเจ้าเผ่าพันุ์อริยเจ้ า, าในที่สุดถึงแม้ว่าจะเกิดอีกเกิดอีกอย่างชา้าที่สุดเ็ดชาติ ยังเร็วที่สุดหนึ่งชาตินี่เป็นพระโสะดาบันถึงว่าเป็นหน่อเนื้อเชื้อเผ่าพันธุ์ของพระอริยเจ้าไหลาไปเรื่อยไปด้วยตัวเองได้แม่พุทธเจ้าจะเป้นนิพพานไปก่อนแล้วก็ตามเราก็สามารถไปด้วยตัวของตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราระลึกถึงเรื่องเหล่านี้แล้วเรามาสารวจตรวจสอบดูตัวเราศีลเรามีความสนใจมากน้อยเท่าไรหรื่อสนใจจะรรมหากิน สนใจจะเล่นสนุกสนานไปตามเรื่องสนใจไปตามอำนาจยุ่ยยุของกิเลสตัณหาในหัวใจของเราเพลินไปกับโลกไม่มีที่จบไม่มีจุดจบไม่มีที่จ บ, จบนี่พระพุทธเจ้าหลังจากโก่นได้กัสสรูแล้วพระองค์ไปโปรดปัญจวทีนูน้นที่ปลาสิปัตนะมริกขายวันเดินทางไปจากพุทธคยาท้่ระยะเวลาตั้งกี่วันสิบวันหรือกี่วันหนึ่งเดือนหรือเท่าไหร่เนี่ยอนะ ท่านบรรลุธรรมวันเพ็ญเดือนหกบรรลุธรรมวันเพ็ญเดือนหกนะเดือนหกวันเพ็ญเดือนหกวันเพ็ญเดือนเจ็ดวันเพ็ญเดือนแปดวันเพ็ญเดือนแปดสองเดือนนั่ะที่ไปทรงแสดงธรรมจักรกัลยาณสูตรน่ะเดือนหกเดือนเจ็ดนี่ก็นหนึ่งเดือนแล้วไปเดือนแปดนี่ก็สองเดือนละวันเพ็ญเดือนแปดสองเดือนบรรลุธรรมเสร็จแล้วทรง สวยวิมุติสุขอยู่ในบริเวณพุทธคยานย่บริเวณต้นพระศีมหาโพเน่สิ้นระยะเวลาถึง49วันจากนั้นดัมพริจะสอนเพราะดัมริจะสอนแล้วก็เป็นเหตุบังเอิญให้เป็นธรรมเนียมว่าพรหมมาจโลกาพระพรหมมาราธน า, าสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีในตาเบาบางยังไม่อยู่ขอพระองค์ทรงเมตตาอาศัยความพระเมตตาของพระองค์โปรดเวนัยสัตว์ พระองค์ก็ตัดสินใจที่จะโปรดเวนนายสัตว์แท้ที่จริงหน้าที่ของพระองค์ก็อุบัติมาเพื่อที่จะสอนคนอยู่แล้วจากนั้นแล้วพระองค์ก็ดำริถึงอาจารย์อุทกกดาบทอาราระดาบทพระอาจารย์ทั้งสองนี้เป็นผู้มีสมาธิสูงมากได้รูปปัสมาบัติได้อรูปปัสมาบัติได้สมาบาัติแปดเพราะงั้นเถอะพูดถึงความละเอียดของจิตละเอียดมากเลยแหละพระอาจารย์ทั้งสองเนี่ยยังเดินทางผิดอยู่ ติดอยู่ในองค์ชาลเหล่านั้นอยู่เพราะเวลาเข้าชาลแล้วมีความสุขมากติดอยู่ในชานั่นแหละติดในชาลก็คือติดในอัตตาติดในอัตตาก็คือติดในชาล์เพราะฉะนั้นมันจึงออกไม่ได้ติดอยู่ในกรงข่ายอันนั้นอาจจะเป็นด้วยเหตุที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้สร้างบารมีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็ได้ทั้งกติดอยู่ในนั้นสมมติดับชีวายชนปั๊บไปเกิดในพรหมโลกในรูปพรหมในอรูปพรหมนั่น พอพระพุทธเจ้าท่านดาริถึงอาจารย์ทั้งสองโอ้องหนึ่งเสียไปแล้วเจ็ดวันคือล่วงไปแล้วเจดวันอีกองหนึ่งกล่วงไปแล้วเมื่อคืนนี้เองนะฮคือทั้งสององค์เนะี่ยถายไปแล้วโอ้อาจารย์ทั้งสองนี่พลาดจากประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นผู้มีจิตละเอียดมากถ้าพระพุทธเจ้าไปสอนนี่เหมือนกับมีทุรีในตานิดหน่อยไปเคลียร์แป๊บเดียวกโกร่ขึ้นมาท่านนั่นเองเป็นต่เบียงไปเบนเบีย ง, ย ง, ย ง, ยงจิต มาหันมาทังนี้หันมาทันนี้ออกช่องได้เลยทะลุดได้เลยให้ปล่อยให้วางขั้นสุดท้ายก็หลุ ด, ลดทะลุไปเลยหลุดไปได้เลยเนี่ยโอ้พลาดจากประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ก็เลยไปสอนปัญจวัคคีย์เพราะผู้ที่ติดตามเท่านั้นน่ะที่จะมีความสนใจคนอื่นให้เป็นที่รองไปเพราะฉะนั้นในเมื่อโปรดอาจารย์ไม่ได้ต้อไปโปรดปัญจวัคคีย์เดินทางจากโน้นไปจนเป็นเวลาสองเดือนนับแต่วันต ร, รัสรูเราไล่ดูสิ สิระยะเวลาเป็นเดือนเดือนเดินไปจากพุทธยาไปอิสิปตนะมรดกไทยวันเรานั่งรถต้องแปดชั่วโมงอ่ะเรามาคิดดูสิใครยังไปอินเดียไปนั่งรถดูจากพุทยาพุทธคยาไปพารานาสีลองนั่งรถไปดูนี่คราวที่แล้วนี่ไปเส้นตรงเลยจากพุทธคยาไปพารานาสีตามรอยพระพุทธเจ้าเลยแหละคราวที่แล้วเราไปคราวที่แล้วเนี่ยไปอินเดียเราวิ่งรถเป็นวันนั่นแหะแปดชั่วโมงอ่ะน่ะไม่ใช่ใกล้ธรรมดาพระพุทธจามันเดินเรา ยุคนั้นสมัยนั้นจะมีอะไรเดินนาวนั้นแหละเดินด้วยพระบาทนั่นแหละเสด็จไปด้วยพระบาทไปโปรดปัญจวัคคีโปรดปัญจวัคคีเสร็จโปรดปัญจวัคคีเสร็จโปรดยัสสะเสร็จยัสสะหลังจากโปรดปัญจวัคคีด้วยปัญจวัคคีได้รู้เป็นพระาราหันหมดโปรดยัสสะรวมทั้งบรอนสับบริวารที่ออกชื่อและไม่ออกชื่อ50าสิรวมเป็นทั้งหมด60 หกองค์กับพระพุทธเจ้าญาติสาที่ออกชื่อแล้วก็ไม่ออกชื่อรวมกับปัญจวัคคีด้วยเป็น60 60องค์เป็นพระสงฆ์สาวกที่เป็ น, ปนพระอ า, าราม60องค์รวมทั้งพระพุทธเจ้าเป็น61องค์พุทธเจ้าเลยตั้งไปประกาศศา ส, สนาพวกเธอทั้งหลายจงรีบไปไปประกาศไปบอกไปสอนไปบอกไปสอนอ ให้คนทั้งหลายเขาได้รับความชุ่มเย็นจากน้ําอัดน้นําธรรมให้ออกดึงออกจากกองฟืนกองไฟในวัตสงสารพระสาวบอกทั้งหลายเหล่านั้นก็สั่งให้ไปองคละทิศองละทิศไปแห่งละองค์รางนั้นเถอไม่ให้ไปซ้ํากันเพื่อให้พระศาสนาของพระองค์กระจายไปให้รวดเร็วที่สุดพระสาวพวกเหล่นานั้นก็เดินไปแห่งละองค์แห่งละองค์แห่งละองคแห่งละองไม่ได้ไปไม่ได้สุดองไปเป็นหนึ่งองสองสองสามองคเหมือ น, นอย่างพวกเราพูะที่จะท่านบอกให้ไปแห่งละองค์ไปเลย สำหรับพระองค์เองก็ไปเหมือนกันสเสด็จจากาป่าอิสิปัตะนะมฤุกทายวันกลับไปที่แคว้นตําบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งในละแวกนั้นมีพวกที่อยู่ของพวกเชดินพวกเชดินซึ่งอยู่ไม่ห่างจากละแวกที่พระองค์ได้บําเพ็ญเพียรอยู่ไปก็ไปทรมานเชดินน่ะพวกเชดินเหล่านั้นก็เป็นนักบวชนักบวชเขาก็ถือว่าเขาเป็นาศาสดาเหมือนกันเขาเป็นนักสอนศาสนาเหมือนกันเขาก็ถือว่าเขาได้มรุษธรรมเหมือนกัน เขาสำคัญว่าเขาเป็นพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าไปทรมานก็ขออยู่ด้วยทีแรกก็พยายามปัดไม่ให้พระพุทธเจ้าเข้าไปพักในในอารามของเขาเนี่ยอ่าเออตรงนั้นเราเห็นตรงนั้นว่างนะให้เราอยู่ตรงนั้นเถอะนั่นตรงที่เรือนไฟเนี่ยเฮ้ยเรือนไฟพระสัมมาสัมพุทธจะไปอยู่ได้ยังไงมีพยานาะมีพิษที่ร้ายแรงอ่ไปอยู่ยังไงท่านว่าไม่เป็นไรดอกเขาไม่ทําอะไรเราดอกอ่าเขาคงไม่เบียดเบียนเราดอก ให้เราไปพักเท่านั้นแหละเป็นหน้าที่ของเราเราไปอยู่เองเออแล้วแต่อย่างนั้นก็ตามสะดวกสบายของท่านพระพุทธเจ้าก็ไปพักที่เรือนไฟเพราะฉะดินพวกนี้มันบูชาไฟในนั้นมันมีพญานาคมีพิษร้ายแรงมากนะพระพุทธเจ้าไปพักคืนแรกกับถูกพญานาคเล่นงานเลยเนี่ยเป่าควันมาพระพุทธเจ้าเป่าควันใส่ <c ười> ควันเปวาแรงกว่าเป่าไฟมาป้องเป่าไฟใส่ไฟพวกแรงกว่า รู้อยากเครดเดต ข, ของพุทธเจ้าไหมเอายังพญายนาคอ ย, อยู่หมดฤทธิ์หมดเดนนะ่นเอามาขดๆๆๆใส่ในบาดนั่นนะ่ะพญายนาคตัวเล็กขนาดไหนตัวใหญ่ขนาดไหนไม่รู้ทําให้ขดใส่ในบาได้ออ น, ะนะนี่เสร็จแล้วก็อยู่มาอยู่มาทรมานชจดิน์นั่นนะ่ะโอ้พระสำนักโคดมเนะี่ยมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหรันต์พุทธเจ้าไปทรมานเป็นพะันพะันเะรื่องนะเป็นพันพัน อุบายวิธีที่จะให้ชนดินเหล่านั้นยอมรับชัดินไม่ยอมรับแต่ว่าใจเขานี่ยอมรับยอมรับลดลงลดลงลดล ง, ลงความถือทิฏฐิมานะถือตัวเนี่ยลดลงลดลงลดลงลดล ง, ลงจนวาระสุดท้ายอ่ะที่พระพุทธเจ้าจะทรงยิงใส่เต็มที่เลยนะวันนั้นฝนตกหนักน้ําท่วมเต็มไปหมดเลยนะ้นําท่วมบริเวณเป็นเม็ดสูงเป็นเม็ดนะจนพวกชัดินเน่ยพายเรือไปหาพระพุทธเจ้าไปดูไปดูไปดูปดปดพระสมณนาคดมน้ําพัดไปแล้วทายแล้ว ที่ไหนได้ภายไปที่อยู่ของพระองค์เนี่ยน้ําท่วมน้ําท่วมแต่น้ํามันกลายเป็นกําแพงกั้นน้ําซะเองอ่ะน้ํามันแข็งมันกลายเป็นกําแพงกั้นน้ําซะเองทําให้ทหําให้ทางจงกรมของพระองค์เนี่ยน้ําไม่ท่วมพระาะเราเดินจนจงกรมอยู่นั้น่ะที่ฝุ่นคลุ่งอยู่นั้นเราดูทีโอพระสมณโคดมมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากพอมาถึงตอนนี้ใจยอมเต็มร้อยเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเทศพข้างนอกด้วยแล้วก็ ถ้ารู้ใจข้างในด้วยนะรู้ว่าใจเขายอมเต็มที่แล้วพระองค์ก็ใส่เลยก็สปะเธอสําคัญแต่ว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แท้ที่จริงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์เธอก็ยังไม่รู้จักหัวเข่าอ่อนกล้าปลอกปลอกปลอกปลอกปลอกมกเร่า อ, อ, อ่อนยกอกก้มลงกล้าปลอกปลอกปลอกขอบวชแน่กว่าจะมาถึงจุดนี้กว่าจะมาเข้าเส้นทางสัมมาทิฏฐิมันไม่ง่ายเลย แล้วดูเราฟังได้ว่าเราดําเนินเรื่องที่เราเริ่มต้นพูดมามาถึงตอนผู้ที่จะบําเพ็ญได้มรุธรรมแล้วมาถึงเจ้าลัทธิทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยกว่าอุรุเวลคสปะเพราะรูกก้วลาคสปะยอมบวชยอมบวชทิ้งบริขารทั้งหมดเอหิภิกขุประสัมพทาเอหิภิกขุประสัมพทาหมายว่าเธอจองเป็นภิกษุมาเถิดทาอันเรากล่าวดีแล้วเธอจองประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิด ตามตำนานก็บอกว่ามีจีวรมาพันกายได้เลยนะมีบริขารขึ้นมาพันร่างพันอะไรได้เลยด้วยเหตุที่มีบุญไว้มีบุญที่เคย ส, สร้างเคยบาเพ็ญเคยได้ถวายผ้าได้อะไรไว้เป็นพระพิสุหมดเอาบริขารไปลอยที่แม่น้ำบริขารเรานั้นบางลอยลงไปนะ่ะไอ้น้องชายคนที่สองเห็นโอ้ยพี่ชายเรามีอันตรายเกิดขึ้นแล้วก็ตามมาตามมาโอ้นอนอเรามีอาจารย์ดีแล้วมาบวช น้า้องคนที่สองก็พาบริษัทบริวาร300อมาบวชน้องคนที่สามเห็นบริขารลอยไปตามาบวชทั้งหมดหลังจากบวชเสร็จแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พาไปที่ขยาศีสัตขยาศีสัตนี่ต้นน้ําขยาที่ต้นน้ําขยานี่เราไม่เคยไปเห็นดอกแต่อาจารย์กิรวาดท่านไปคราวที่แล้วเนี่ยได้ยินว่าพาไปที่ต้นน้ําขยาเราไม่เคยไปที่ต้นน้ําขยาอยู่ตรงไหนไม่รู้ต้นน้ําขยาไม่มีอะไรไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรมากมายนะมีแต่ร่องรอยอะไรก็ไม่รู้ ที่ต้นน้ำขยาที่พระิเจ้าท่านทรงเทศปโปรพวกอุรุเวลักษัสปะเนี่ยหลังจากเทศจบได้พระอาหารหันได้พระสาวกเพิ่มอีกหนึ่งพันกับสามองค์ น, นั่นดูสิสามารถไหมพระบริเวณนั้นมันเป็นบริเวณที่ที่มีที่มีฝูงชนมากที่มีนักพรดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุรุเวลักษัสปะเีย พอเปทรมาร์ได้รังหนึ่งนี่ถือว่ า, าศาสนาของพระองค์ก็จะแผ่กระจายไปได้ ไ, ดไปได้อย่างรวดเร็วฉลาดไหมพระพุทธเจ้าของเรานี่เราพูดถึงว่าคุณธรรมที่จะทําให้เรารู้เหตุเพื่อความถูกต้องดีงามที่แท้จริงอเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้สร้างมันเป็นมันเป็นบารมีมาจนได้รู้ข้อประพฤติข้อปฏิบัติข้อขัอขดเกลาความอยาความละเอียด ในใจของเราเนี่ยรู้ว่าอันนี้เป็นพิษอันนี้เป็นคุณอันนี้เป็นโทษมันไม่รู้จักได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้อบัตมาแล้วพระองค์ก็ทรงทรงปลูกฝังพระพุทธศาสนาจากนั้นมาถึงมาถึงบัณ น, นี้ตั้งแต่วันที่พระองค์ได้มรุษมรุษธรรมมาก็เป็นเวลาถึงสองพันหกรกว่าปีมาแล้วเนี่ยรวมทั้งเวลาที่พระองค์เทศนาปโปรด เป็นเวลาถึง45พระพรรษาด้วยพระองค์สองได้บรรลุธรรมเมื่ออายุ35 35พระพรรษาแล้วก็ประกาศพระศาสนานะอยู่ในชมพูทวีปเนี่เป็นเวลาถึง45พระพรรษาพุธเจ้าของเร า, ามีพระชนอายุได้80พระพรรษาพระองค์ก็เข้าสู่มหาปรินิพพานนะที่จริง80ปี80ปีของคนอื่นในยุคนั้น บางคนก็ยังมีอายุถึงร้อปีแต่พระพุทธเจ้าท่านมีเงื่อนไขถ้าเพื่อพระศาสนาของพระองค์ตั้งมั่นแล้วพระองค์พระองค์พระองค์ก็จะสมควรเข้าสู่มหาพริพานมีภิกษุสมบูรณ์บริบูรณ์มีภิกษุณีสมบูรณ์บริบูรณ์มีอุบาสกมีอุบาสิกามีความนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีสาระเป็นที่พึ่งสามารถมีปากมีเสียงพูด ตอบโต้กับพวกบรรดาดีรัถีทั้งหลายเพื่อจะได้ให้เขามีความเลื่อมใสศรัทธาหันมาถือตามพระพุทธตามปฏิบัติตามมั่นคงแล้วพระองค์ก็เข้าสู่มหาปณิพนิพานอริเจ้าปณิพนิพานไปแล้วเป็นองค์ที่เป็นองค์ที่สี่แล้วในกัปนี้พวกเรายังอยู่ในาศาสนาของพระองค์ถึงแม้ว่าจะการเวลาล่วงไป 2,600 กกว่าปีแค่นั้นเองแต่หลักศีลธรรมยัง เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์หมดทุกอย่างคือหลักของการให้ทานการทําทานมีผลมีอนิสงส์แล้วก็ตั้งใจรักษาศีลตั้งใจรักษาศีลก็คือพยายามขัดเกลาไอที่มันหยับหยามนิสัยหยาบห ย, ย, ยามในใจของเราให้ละเอียดขึ้นให้ละเอียดขึ้นแล้วก็ตั้งใจภาวนาเจริญสมาธิอันนี้ยิ่งขัดใจขัดเกลาจิตละเอียดลึกเข้าไปอีกจิตของเราที่ว่าเหมือนกับเป็นดินดินมันไม่เหนียวนะดินมันเป็นดินทรายมนาะทุกมาตียังไงก็ไม่ขึ้นอ่ะนะ ทุบตียังไงมันก็ไม่พอจะเป็นรูปมอนี่ยนะหมายถึงจิตของพวกเราเนี่แหละแต่ถ้าเป็นจิตที่ไม่บ้าใบาวิกลวิการเสียเกียรตผิดมนุษย์และยินได้ฟังเสียงอักเสียงธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วหันมาถือตามตั้งใจประพฤติตามตั้งใจบําเพ็ญตามตั้งใจปฏิบัติตามพอจะเป็นไปได้ถ้าเราจะเทียกบกับเหมือนเหมือนดินดินที่มันไม่เหนียวมากแต่ยังมีเหนียวเหนียวพอที่จะเกาะพยายามทุบแล้วทุบอีกทุบแล้วทุบอีกทุบแล้วทุบอีกเนี เหมือนครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านแนะท่านสอนท่านเตือนลูกศิษย์นะดาแล้วดาอีกบอกแล้วบอกอีกเตือนแล้วเตือนอีกดูแล้วดูอีกกวาจะกลับเนือ้อกลับตัวได้กวาจะกลับเนือ้อกลับตัวจากมิจฉาทิฐิมาเป็นสัมมาทิฐิมันไม่ง่ายเลยมันยากมากมัรนา ง, งานทั้งหลายในโลกที่ได้ยินได้ฟังปราดบัณฑิตท่านพูดเอาไว้ว่างานที่กลับทิฐิของคนเป็นงานที่ยากที่สุดในโลกงานที่กลับทิฐิของคนเพราะไอ้คน ที่พยายามพูดก็พูดไปแต่คนที่จะเอาไปไปถือตามประพฤติตามถ้าไม่เอาพูดเป็นร้อยเป็นพันพูดเป็นเท่าไรก็ตามไม่เอาก็คืออดนะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวแต่ถ้ามีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นผู้มีเหตุมีผลเป็นผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาแต่จะจะเลื่อมใสศรัทธาด้วยเหตุด้วยผลก็ตามจะเละจะเลื่อมใสศรัทธาด้วยการพูดโดยแนวโน้มก็ตามนี่คือเลื่อมใสศรัทธาพอเลื่อมใสศรัทธาก็ทํา ทำให้เริ่มสนใจเห็นเริ่มหันเข้ามาเห็นหันเข้ามาหันเข้ามารักษาศีลบ้างหันเข้ามาอะไรบ้างในที่สุดก็ไปได้เหมือนอย่างพระเจ้าปายาสีเนี่ยเป็นคนมิจฉาทิฐิเนี่ยพระอุรูปเลยพระกุมารกาสปะไปทรมานได้พระเจ้าปายาสีเป็นเจ้าเมืองเจ้าเมืองหนึ่งปกครองเมืองเล็กๆ เ, เ, เป็นมิจฉาทิฐินีสมัยพุทธกาลนะพระ กุมารกระสัปะท่านไปทรมานทรมานจนกลับเนื้อกลับตัวมายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ก็มีความเลื่อมใสศรัทธาไม่เต็มที่ให้ทานเริ่มต้นในการให้ทานให้ทานจะให้ทานของดีๆก็ยังเสียดายอยู่ให้ทานของหยาบๆให้ทานของที่ไม่ละเอียดให้ทานของที่ไม่ประณีตของไม่บรรจงอะไรนักให้แต่ข้าวปลายเกลียนกระนำส้มผักตองทำบุญให้ทานเหมือนกัน มีอุตรามานกเป็นคนจัดให้อุตรามานกเนี่ยเป็นลูกน้องอจัดจัดให้กับนายนายก็ศักดิ์ทวาเริ่มใสศรัทธ า, าแล้วก็สั่งให้ทำสั่งให้ทาได้บุญเหมือนกันแต่ได้บุญน้อยกว่าคนที่ตั้งอกตั้งใจอุตรามานกเนี่ยเป็นลูกน้องแต่ตั้งอกตั้งใจทำแล้วก็พระเจ้าปยาสิก็มีคาสั่งให้ทำให้อยู่แต่มีความเริ่มใสสศรัทธาน้อยทำก็ทำแบบไม่เคารพในทาน มีแต่ ส, ส, ส, ส, ส, ส, สั่งลูกน้องให้ทําตัวเองไม่ได้ทําในที่สุดท่านพูดถึงเบื้องหลังที่ตายไปไปเจ้าปายสิไปสวรรค์เหมือนกันไปสวรรค์ชั้นจาตุ่มต่าๆนี่ไปเกิดในเสรีสกาวิมานวิมานวิมานคนเดียวคนเดียวโดดเดียวไม่มีบริษัทบริวาเออไม่รู้ไปอยู่กับใครนั่งทนโถอยู่นะนะถ้าเป็นพวกเราเอาไมเนี่ยไม่มีหมูมไม่มีเพื่อนเลยไปอยู่วิมานคนเดียวเสรีสกาวิมาน พอไปดูลูกนอกอุตรมามนกนูน่นไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวบดึงมีบริษัทมีบริวารเครื่องประดับประดาอลังการที่สมบัติเต็มไปหมดอ่าอุตรามานกก็เลยมารำพึงถึงเอ๊นายของเราไปไหนเนอะนายของเราไปไหนหนอะพวกเทวดาเขารู้เนี่ยเพียงแต่เราลึกได้เขาก็รู้ว่ะแบบโอ้นายเราไปเกิดที่นู้นโอ้นายเรานายเราคนเดียวโดดเดียวไม่มีบริษัทบริวารเลยอันนี้สงจากการทําบุญให้ทานนี่เราพูดถึงมิจฉาทิฏฐิ หันมาสัมมาทิฐิเหมือนกันแต่หันมาไม่เต็มที่ก็ได้บุญอยู่ก็ได้บุญแค่นั้นน่ะได้สวรรค์แค่ชั้นจ่าตุ่มชั้นชาติตุ่มก็ชั้นต่ําๆนี่เองชั้นจ่าตุ่มอยู่บนพื้นภูมิเหล่านี้แหละชั้นจ่าตุ่มชั้นต่ําๆแต่เขาก็มีความสุขสบายกว่าพวกเรามีความสุขสบายกว่าพวกเรายังมีอนุเป็นทิพยังมีอันนเป็นทิพยังในระมิดระมิดอันนั้นได้อันนี้ได้นะแต่อุตรามนุกได เครื่องประดับประดาบริษัทบริวารอลังการเต็มไปหมดโอ้ยนายเราอยู่อย่างนี้เองทำไมบริษัทบริวา ร, ร, รไม่มีเลยสมบัติอะไรดิบดีอะไรก็ไม่มีเลยแต่เป็นสวรรค์อยู่แต่จะแบ่งให้กันก็ไม่ได้เป็นสมบัติของไข่ของเราไม่เหมือนเราทําหากินอ๋อลูกยังไม่ร่ำรวยพ่อแม่ก็แบ่งให้อ๋อพ่อแม่เราทุกข์ยากจนลูกมาทําหากินร่ำรวยลูกก็แบ่งให้มันไม่ใช่เหมือนโลกมนุษย์เราบนสวรรค์เอ่ย สัตวน์นรกเออหนึ่แบ่งเวทแบ่งกรรมแจอะกันไม่ได้ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นผลของกรรมใครทํากรรมกรรมไว้ตั้งแต่โลกมนุษย์ตายไปแล้วก็จะได้สิ่งเหนั้นเป็นสมบัติของใครของเราแบ่งแจกกันก็ไม่ได้แบ่งเจอะกันก็ไม่ได้นี่เราพูดถึงจิตใจที่ล่องรอยจิตใจที่พิกลพิการที่จิตใจที่บ้าบ้าใบาวิกลวิการคือจิตใจที่ ไม่มีสติไม่มีสัมพัญญะาไม่สมประกอบเพราะว่ามันมีกรรมมาบีบมาขั้นทําให้เราพลาดโอกาสอันนี้จึงจะพัฒนาไปไม่ได้อย่างพวกเรามีสติเป็นพื้นพื้นมีปัญญาเป็นพื้นพื้นมีความรู้มีความเข้าใจมีความสามารถเป็นพื้นพื้นเราสามารถพัฒนาไปได้หมดไม่มีอะไรมากีดขวางมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรมาีดขวางสรวน และการนิพพานของพวกเราอยู่ที่ว่าพวกเราตั้งอกตั้งใจให้มากให้เหมาะสมกับที่เราเป็นพุทธบริษัทและเกิดมาพบสมบัติมหาศาลคือสมบัติที่พุทธเจ้าท่านสงฝากเอาไว้คือพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยนี้เป็นข้อปฏิบัติ hmm. เพราะฉะนั้นถ้าหากเรามาถือมาประพฤติมาปฏิบัติตามปับ๊บเราจะต้องเอาข้อปฏิบัติมาทําตามเริ่มต้นโดยการให้ศีลให้ตั้งตั้งใจให้ทานเย่างนี้ ไม่ได้ให้แบบเสียไม่ได้เหมือนอย่างพระเจ้าปายาสิมันก็ยังได้บุญนะถ้าตั้งอกตั้งใจมากกว่านั้นเราก็จะได้ของละเอียดของประนิษมากกว่านั้นนอกจากนั้นแล้วก็ตั้งใจภาวนาเพราะการตั้งใจรักษาศีลมันก็ขัดเกลากิเลสห ย, ยาบๆตั้งใจภาวนาใจสงบกิเลสละเอียดลึกกว่านั้นก็เข้าไปรู้เข้าไปเห็นสามารถสงบระงับดับกิเลสตัณหาในหัวใจไม่ให้มันดิดมันดิ่นได้เหมือนอย่างเออ่ อุทกดาบทอลาระดาบทกิเลสไปยุ่งในหัวใจของท่านไม่ได้เวลาท่านเข้าสมาธิสมาบัติแต่เวลาออกจากสมาธิสมาบัติมามันก็ยังมีความโลภเหมือนเดิมยังมีความโกรธเหมือนเดิมเพราะมันยังไม่ถึงขั้นเห็นรากเห็นเงาเห็นต้นตอของกิเลสตัณหามันไม่สามารถจะถอนรากถอนโคนได้แต่พระพุทธเจ้าท่านศึกษาละเอียดลึกมากไปกว่านั้นจนสามารถถอนอัตตาตัวตนได้หมดถึงจะสามารถถอนรากถอนโคน ที่จะเป็นไปให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายไม่จบไม่สิ้นนี้ได้นี่เป็นโอกาสดีที่พวกเราทั้งหลายลูกหลานมาเกี่ยวข้องมารับทุน500ร้อยบาทให้มันน้อยนิดเดียวแต่คุณค่าของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมากมายมหาศาลยิ่งกว่าห้า้อบาทถ้าเราตั้งอกตั้งใจถืออันนี้เป็นคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่กว่า ถ้าพวกเราไม่ลืมตัวไม่ประมาทไม่ลืมตัวกลับเนื้อกลับตัวตั้งอกตั้งใจให้ทานรักษาศีลพระพุทธธรรมปฏิบัติธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงแม้ว่าในพศา ส, สนาของพระโสดมหมดไปเรายังไปไม่ถึงไหนเราก็ยังพอพลอยจะได้ไปกับขบวนเวลาพระเสียริยะเมตรท่านมาเราก็พอจะได้ไปกับขบวนของพระองค์ได้เราก็พ้นุพ้นโทษพ้นเวรพ้นภัย เรามาคำนึงถึงทุกทุกอดเวลามันเกิดขึ้นในหัวใจของเราเป็นไงมียินดีไหมพอใจไหมเก็บแค่ใดป่วยเราดูสิพอเราป่วยแม่เราป่วยลูกเราป่วยปู่ย่าตายายญาติพี่น้องเราป่วยมันทุกข์มากต้องดูแลเป็นภาชนะโอ้หนักหนาะสาหัสเหลือเกินอ่ามันหนักหนาะสาหัสขนาดไหนเราก็ดูเอาเถอะเวลาเราประสบความประสบพบความทุกข์แค่เราเคยมีเงินใช้ <laughs> ไม่มีเงินใช้ลองดูทุกเท่าไหร่ โอ้ยหันซ้ายหันขวาดูหน้าดูหลังมัรู้จะไปหยิบไหนยืมไหนอนะจะไปทํางานจะไปทํทานี่ทํางานทําการมันไม่พอที่จะได้จับใจใช้สอนโอ้ทุกขนาดไหนดึงหน้าก็หลุดหลังดึงหลังกระรุดหน้าขยับหน้ากรติดหลังขยับหลังกรติดหน้านี่คือทุกไหนวัฏสงสารมันไม่ใช่แค่ทุกเจ็บทุกปวดทุกป่วยทุกไข้ทุกจากการทำอาหากินทุกจากความเป็นอยู่ทุกสรรพั จากนั้นแล้วก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าโทษอีกตายแล้วตายแล้วกิเลสยังมีไปเกิดอีกทำไมต้องไปเกิดอีกอเพราะปัญหาเรามีกิเลตเรายังมีความอยากในใจของเรายังไม่เคยทําลายลงเลยเราจะต้องไปเกิดอีกตายแล้วต้องไปเกิดอีกตายแล้วก็ต้องไปเกิดอีกถ้าบุญกรรมเราสร้างไว้ดีไปเกิดในทีด่ดีถ้าบุญกรรมเราสร้างไว้ไม่ดีทําแต่ชั่วช้าลามกไม่มีศีลไม่มีธรรมแม้อะไรแม้แต่สักข้อไปอาบายไปเป็นเปรต โอปากเท่ารูเข็มท้องเท่าภูเขาไปกินยังไงมันจะอิม่มลองวาดภาพดูทีท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มกินทั้งวันทั้งคืนตลอดทั้งปีทั้งชาติมันก็ไม่อิ่มนั่นคือความอยากอันเกิดขึ้นจากความแสวงหาไม่รู้จักพอไม่รู้จักประมาณบิดเบี้ยวคดกองเอาของอื่นของคนอื่นด้วยองอำนาจของความอยากอยากไม่รู้จักจบเอามากายของสมบัติเท่ากับชะลา หลังนี้ก็ยังไม่อิ่มไม่พอนี่แหละเขาเรียกว่าท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มกินยังไงมันจะพอแต่ถ้าเราเอาความอยากออกเราเห็นความพอดีพอดีเห็นความเพียงพอความพอดีมันมีอยู่อัตภาพร่างกายของเรามันพอดีมันมีอยู่อืงานการที่เราทําเพื่ออัตภาพร่างกายเหล่านี้มันมีพอดีพอดีมีอยู่แต่ถ้าอาศัยความโลภหนำหน้าแล้วก็ไม่มีพอมีเงินร้อยล้านไม่พอแสนล้านไม่พอ ล้านล้านก็ไม่พอโลกนี้ทั้งโลกก็ยกให้ก็ไม่พออยากได้สองโลกให้สองโลกก็ยังไม่พออยากได้สามโลกไหนซู่มก็เหมาหมดการมาโลกรูปโลกอรูปโลกเมาไว้หมดฮะไม่ยกอับจนไปได้หมดทั้งสามโลกแบกโลกหมดทั้งสามโลกดูซิแบกลองดูซิแบกกองทุกแบกโลกก็คือแบกกองทุกนั่นแหละเหมือนอย่างที่พวกเราแบกแบกนั่นแหละอ่ามีความพอใจนิดหน่อยเวลาหิวได้รกินอิ่มอ่า เวลาอยากเที่ยวได้กินได้เที่ยวได้อะไรสะดกสบายเป็นการเป็นคราวแต่ความทุกข์เหล่านั้นหมดไหมไม่หมดเดี๋ยวทุกข์อันนั้นเพิ่มอีกเดี๋ยวทุกข์อันนี้เพิ่มอีกบางที่ไปแสวงหาในทางที่ผิดทุกใหญ่หลวงเกิดขึ้นอีกเกิดผีทั้งหลายมาสิงอีกผีอะไรผีเหล้ า, ผ, า, า, ผ, นน ผ, ลาผียาบ้าอยางเงี้ยผอันเนี้ยผีเหล้าผียาบ้าผีพันนันอะลองดูผีทั้งสามลองมาสิงลองดูดิทุกขนาดไหน สวัสดิหา ย, ยัางไงมันจะได้พอพอให้กับผีทั้งหลายเหล่านี้ผีพ น, นันเงี้ยจะได้อะไรมาพอไม่มีพอแล้วนีบ้านก็ไม่เหลือมีที่ดินก็ไม่เหลือมีสมบัติอะไรก็ไม่เหลือถ้าจำนำลูกจำนำเมียเล่นได้าดีกจำนำเล่นหมดไม่มีเหลืออืนี่คือผีมันไดากาศขนาดไหนนี่คือสวัสดิ์หายทางที่ผิดแล้วโอกาสที่จิตใจของคนเหล่านี้จะดีไม่มีดอกชนมุนวุนว่นวาย เศร้าหมองขุนโมยอยู่นั้นไม่จบไม่สิ้นนี่คือชีวิตที่เราควรศึกษาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วเราก็หาเลือกทางเดินตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าตั้งใจให้ทานตั้งใจรักษาศีลเพราะให้ทานนั้นมีผลมีอนิสงค์รักษาศีลมีผลมีอนิสงค์มากกว่าการให้ทานตั้งใจภาวนามีผลอนิสงค์มากกว่าการตั้งใจรักษาศีลอีก ตั้งใจภาวนาด้วยพิจารณาให้เกิดปัญญาด้วยมีผลเมีอนิสงส์มากกว่าโดยลําดับชั้นจนสามารถรู้ที่ไปที่มารู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้เหตุสุขอย่างแท้จริงทองแท้รู้เหตุสุขแหง่งทุกข์ด้วยเหตุรู้เหตุอย่างแท้จริงรู้ผลอย่างแท้จริงสามารถเลือกได้ทําได้มันเป็นการผ่อนคลายเดินห่างออกจากความทุกข์เดิอนออกไปเดิอนออกไปเดิอนออกไปจนพ้นจากทุกข์ต่างหลายทั้งปวงเหล่านี้ได้ นี่คือความสุขความเจริญอย่างแท้จริงเหมือนอย่างพระพุทธเจา้าพระสาวกท่านเข้าถึงประมังสุขังเข้าถึงประมังสุขังท่านไม่ต้องมาเกิดอีกเพราะเอาตัวความอยากออกจากพระไทยออกจากใจได้ทั้งกพ้นทุกผลโทษในวัตฏสงสารไปได้พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจถือเอาพระพุติเอาปฏิบัติเอาเป็นสมบัติของใครของเราเอาต่อไปเป็นเวล า, อามอบมอบทุน มอบทุนให้เด็กอาจารย์เริ่มต้นได้ <c oughs> <c oughs> อเออเอ้าพออไหนใครมาบ้างวันนี้อะใครมาอาจารย์สงวนศากมาอาจารย์สวนศักามาทำบุญพิเศษแล้ววันนี้อมาใครมาอีกมาอ่อมา ต้นก็ได้มาต้นบ้างมาต้อนมาม า, มาช่วยกับอาจารย์สมวรสักนั่งตรงไหนอ่ะอาจารย์นั่งตรงไหน น, น, น, น, นั่งที่เดิมไปเอาเอาไปเอเอ า, เอ า, เอาไปไปแป๊บเดียวสี่นาทีไม่นานดอกเดี๋ยวให้พรให้พรเสร็จแล้วให้พรเสร็จแล้วไปรับทานอาหารในครัวอ่ไป เอาเริ่มเลยเลย <c oughs> อันนี้อะไรน ะ, อะเอาไปต่อที่โน่น อ๋อเขาเขาเขาเขาผ่านที่กรรมการตรวจให้มารับต่องั้นเหรออ๋ออ๋อทราบว่าเอาเอากอาจกอ่ะเอ่ยให้คณะกรรมการมี ท่านแซมเป็นต้นมาา้าเบานท่านแซมฮะข้างล่างไหนบรองสิงเอให้ท่านแรมเขาแซมเขารวบรวมมามีใหม่เพิ่มเข้ามาอีกเท่าไหร่นะสิบสองแล้วเก่าเท่าไหร่รวมเป็นสามสิบสามเมื่อก่อนสามสิบสี่และหายไปไหนหนึ่งอะฮะฮะ 34กับใครสามสิบสี่แล้วอ๋อสามสิบสี่นี่เหละอ่ากันมันต้องเขียนมาด้วยรวมเป็นสามสิบสี่ทุนส4มสี่ใช่ไหมอ่าสามสิบสี่ทุนเหมือนเดิมอ่าสาสิสี่ทุนนี่ก็รวมทั้งเก่าเก่าที่ต่อเนื่องมาจาก เทอมที่แล้วที่เข้ามาเช็คคุณสมบัติมีความสนใจพอบางั้นเธ อ, อะ่าที่หลวงพ่อพูดให้ฟังว่าดินทรายดินเหนียวพอประมาณละดินเหนียวดีอ่ะเนี่ยประเภทดินทรายมันตีไม่ติดอ่ะมันตีไม่ติดมันตีไม่ติดจะพะจะปั้นให้เป็นหมอ้อก็ปั้นไม่ได้คือมันมันไม่ให้ความขาดความสนใจความสนใจน้อยไปถ้าเป็นยุคสมัยพระพุทธเจ้าก็คือพวกมิจฉาทิฏฐินั่นแหละ แม้แต่ฟังเทศต่อหน้าพุทธเจ้าก็ไม่ได้สำเร็จประโยชน์อะไรพุทธเจ้าชักสะพานคําว่าชักสะพานคือไม่สอนไม่บอกทําเฉยไม่บอกไม่สอนทําเฉยคือคื อ, คอไม่สนใจอะ่ะเหมือนในเหมือนเหมือนในอุปกะอุปการชีวกอนะ่ะทีพ่พระพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยอ่าเพรายุคสมัยนะั้นเขาแสวงหาธรรมะจริงๆ พอไปเจอหน้าใครเห็นผิวพรรณผ่องใสอะไรแต่รเขาจะถามกันท่านเป็นลูกศิษย์ใครท่านเป็นท่านเป็นศาสนาของท่านชื่ออะไรท่านสอนคําสอนของท่านบอกว่ายังไง น, นี่นี่พออุปการถามพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าผิวพรรณผ่องใสเสด็จมาแต่ไกลพระพุทธเจ้าท่านก็รูปงามอยู่แล้วนี่มหาบริสลักษณะเนี่ยยิ่งท่านได้บรรลุธรรมอยู่ลยแล้วผิวพรรณท่านกรผ่องใสพอเห็นมาแต่ไกล เห็นผ่องใสก็เลยถามอใครเป็นครูของท่านใครเป็นศาสตาของท่านศาสดาของท่านสอนว่ายังไงเราเป็นสยาภูสยาภูแล้ว่าเป็นเองเป็นเองเฮ้เป็นยังไงเป็นเองเนี่ยคือแค่ว่าคนที่จะมีความรู้มีความสามารถจะต้องมีครูแต่พุทธิเจ้าท่านบอกว่าเป็นเองพุทธิเจ้าท่านเป็นเองเพราะท่านได้วิชาจากอริยสัจสี่ทุกสุภูไทยนิโรธมาก อันนี้อาจารย์ทั้งสองเนี่ยอุทกดาบทอาราระดับบทไม่เคยสอนท่านท่านมาค้นคว้าได้ด้วยพระองค์เองด้วยบุญญาบารมีด้วยญาณทัศน์ชนะของพระองค์เองพระองค์จึงปฏิญาณพระองค์ว่าเป็นสยามภูแล้วว่าพระผู้เป็นเองอุปกาอุปกาฟังและอุ้มเหลือเชื่อบางคนามาเขียนตำราบอกว่าอุปการเนี่ยแลบเล่ น, ล น, ลนตาถุยน้ำลายแล้วเดินผ่านไปเฉยไม่สนใจไม่ได้ไรเลยนี่คือพวกมิจชาทิฏฐิ คำว่ามิจฉาทิฐิก็คือมีความนึกผิดคิดผิดเข้าใจผิดไม่อยอมอ่อนน้อมตามตามทิฐิของใครแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์กับคนที่เข้าได้บรรลุของจริงมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยแทนที่จะได้ประโยชน์ก็ไม่ได้พวกเราทั้งหลายก็พยายามได้ยินได้ฟังแล้วพยายามปั้นตัวเองนะพยายามปั้นตัวเองอย่างบอกไปแล้วนั่นแหละไม่บ้าใบวิกลวิการเสียชีวิตผิดมนุษย์พยายามรักษามา ร, รยาของตัวเองให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆเป็นลู ก, เ ป, ลกเป็นเต้า ต้องรู้จักเคารพพ่อรู้จักเคารพแม่ให้ความสําคัญกับพ่อกับแม่กับครูกับอาจารย์เพราะคําสอนของผู้ใหญ่นั้นมันเป็นคําสอนที่มีประสบการณ์เป็นคําสอนที่มีประสบการณ์มีคติมีตัวอย่างบางคนไม่รู้แม้กระทั่งบุญคุณของพ่อของแม่พ่อแม่มีบุญคุณเต็มตัวเต็มตัวใครเต็มตัวเราตัวเราแต่ละคนแต่ละคนนี่คือบุญคุณของพ่อของแม่ บุญคุณของพ่อขอแม่มีเตรียมตัวเราเราดูไม่เห็นบุญคุณของพ่อขอแม่ดูตัวเรานี่คือบุญคุณของท่านเพราะฉะเราต้องฟังพ่อแม่บอกเราต้องฟังครูอาจารย์ท่านมีเต็มเมตตาอยาให้เราดีพระมีท่านบอกเราต้องฟังเราต้องไข้ครควรมีเหตุผลของตัวเองเออถูกต้องบางทีเราคิดไม่ถึงเราอ่านไม่ถึงเพราะเรายังสติปัญญาไม่พอเราก็เชื่อท่านไปก่อนอยู่ไปทไปําไปพิจารณาไปโอ้ใช่ที่อาจารย์บอกนั้นใช่ ที่ครูบาอาจารย์บอกอย่างนี้เออใช่เอ อ, เ อ, อที่อาจารย์บอกอย่างนั้นเออเบาไปถ้าอย่างนี้จะละเอียดกว่านี่มันเป็นสิทธิที่เราจะมานึกมาคิดมาใคร่ใบครวรแต่ถ้าเราจะไปปฏิเสธตั้งแต่ชีแรกเราไม่ได้ไประโยชน์อะไรเลยการที่เราฟังผู้ใหญ่นั้นอ่ะเป็นคติเป็นตัวอย่างเพราะความเป็นอยู่ของมนุษย์นั้นมันสืบช่วงคุณงามความดีต่ อ, ต, อต่อกันมาสืบช่วงกันมาเป็นเป็นเป็นสายโลหิตเลยแหละ สืบช่วงคุณงามความดีต่อๆกันมาบอกกันต่อๆกันมาความรู้ความเข้าใจต่อตกันมาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านรู้ทั้งกับบอกต่อๆกันมาจนมาถึงตอนนี้เป็นระยะเวลาถึง 2,600 กว่าปีมาแล้วเนี่ยยังสดสดร้อนๆเลยศีลสมาธิปัญญายังสดสดร้อนๆอนแต่ด้วยเหตุที่ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันมันมันโลกที่พัฒนาอะไรไปจนเป็นเหตุให้เราให้ความสนใจเกี่ยวกับ หลักของศีลของสมาธิของปัญญาน้อยเกินไปมันเป็นมันเป็นเรื่องที่มามมอมเมาายุอายุความอยากในหัวใจให้ดิน้รนรนให้ทียรเทียานรุนแรงมากขึ้นอย่างทุกวันนี้ยิ่งเขามีไอ้ซื้ออะไรต่ออะไรด้วยแล้วนี่โอ้ยของดิบของดีขอ ง, ของชั่วช้าตำสามอะไรมีอยู่ในนั้นหมดแต่อันไหนเป็นอาหารของเกลเละเกลเละมันจะชอบมันก็ดูเอาดูเอาธรรมะศีลธรรมที่ท่านเอาไปเผยแผ่อยู่ในนั้นมีมากมายแต่มนมนมอ ง, มองไม่ค่อยเห็นดอก มองเห็นแต่สิ่งที่ยัย่วยุที่สําคัญที่สุดคือยุอายุกามในใจของเราให้กําเริบอันนี้สําคัญที่สุดมีข้อเสียหายทั้งทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนี่เราพึงระวังระมัดระวังให้ดีวันนี้ให้เราถือว่าเรามาคราวนี้เป็นอนุสอ์ในเดือนนี้ในต้นปีใหม่นี้ก็แล้วกันให้เราตั้งต้นปีใหม่ปรับเนื้อปรับตัวที่เคยทําดีมาแล้วทําดีให้ยิง่งยิ่งขึ้นไปที่ยังไม่เคยขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแล้วก็วางให้ได้ระดับ แลวก็ทำตัวให้ดีให้ดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปความสุขความเจริญความเลิศความประเสริฐถึงฐานะอันเลิศอันประเสริฐก็จะเป็นของเราเองให้พร <c oughs> ยะทาวาริวะหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวเมวอโตทินงังเปตานางังอุปกปฏิ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสเพปูเรนถุสังกปาจันโทปนะระโสยะทามนิโชติระโสยะทาน <c oughs> ตตโยเววาจฉันตุสพรโรโควินาสตุมาเตภาวตวันตารยน อายกโคมภาวะภิวันธาเนศเลสณีจางโวทามยินโอยจตาโรทามมาวทฏานที่อายุวันโอยสุขังปลางอายุโดบลโดทีโรวันโดปฏิพานโด โสคาสัตตาเมธาวิโสข้างโสอธิคัจ a ตอายุงดตวะบาลังวานางโสขันจปาิพาณอติคาโยยาสวะโหติยะทายาทุปปัจจเตเตมปวัตุสาบมังกาลังราขันตุสาปเดวตา สามบัมบุทฐานุพาเวนาสดาโสที่พวันตุเตภาวุตุสาบมังกาลังอาราคันตุสพปเดวตาสามบัมบุมฐานุพาเวนาสดาโสที่พวันตุเตภาวุตุสาบมังกาลังอาราคันตุสพปเดวตา สับาสังคาหนุภาเวนะสดาโสทีภาวันโตเตม